กับวิชาพระรัตนตรยัยกับนรมัสการพระคุณเจ้าทั้งหลายแลหลวงพอ่อปาโมดสวัสดีครับพี่น้องและก็สาธรรมิตรทั้งหลายพระพุธองได้ทรงตรัสไว้ในธรรมบทข้อที่สามร้ยเจ็ดสบหกว่าปาโมดชะพะหุโลภิกขุ ทุกขัดสันตังกริสติซึ่งแปลว่าภิกษุผู้มากด้วยปราโมทจะกระทำความสิ้นทุกข์ได้ใครที่มีความปราโมทอยู่เสมอจะหมดความทุกข์บรรลุนิพพานได้ปราโมทเป็นองค์ธรรมหนึ่งในธรรมะสมาธิห้า ได้แก่ 1. ราโมทความชื่นบานใจราเริงสดใสหรือจอย 2. ปิติความิ่มใจความปลื้มใจหรือบิสสปัสสธิความสงบเย็นกายใจความผ่อนคลายรื่นสบายหรือ being r e l a x กสุขความรื่นใจไร้ความขัขดข้องหรือ happiness ห้าสมาธิความสงบอยู่ตัวมั่นสนิทของจิตใจไม่มีสิ่งรบกวนเราระขายหรือ mental steadiness or mental concentration ธรรมะสมาธิห้าหรือ ค, ค, คุณสมบัติทั้งห้านี้พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ทั่วไปหลายแห่งมากมายเพื่อทรงแสดงถึงผลของการปฏิบัติที่จะสามารถทำให้บรรลุถึงขั้นตอน และสําเร็จผลได้ชัดเจนอันนี้เป็นความปราโมทในรักษณะของธรรมะที่สถานที่พระศาสดาได้ทรงแสดงไว้ในพระสูตรซึ่งสรุปได้ในทางปฏิบัติว่าเมื่อจิตจดจําสภาวะธรรมอยู่หนึงน่งๆเช่นจิตจดจําสภาวะธรรมที่ตั้งอยู่ในความปราโมทชื่นบานใจได้อยู่หนึงน่งๆจิตย่อมสเสถียรหรือทีรสัส ญ, ญายาย่อมเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติ เมื่อจิตมีสติอยู่หนึ่งๆย่อมเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสุขเมื่อจิตมีสุขอยู่หนึ่งๆย่อมเป็นเหตุใก้ให้เกิดสมาธิเมื่อจิตมีสมาธิอยู่หนึ่งๆย่อมเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาซึ่งพระศัสดาส่งจัดว่าบุคคลย่อมถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาแบบ น, นี้นับเป็นโอกาสอนุดมด้วยมหามุ่งคนสมัยที่ความประโมทได้มาประโยชน์ปรากฏอยู่ณสถานที่นี้ ในรูปลักษณ์แห่งอุคลาธิสถานการคุยหลวงพระประโมุได้เมตตารับนิมนต์มาสอนแก่นพุทธธรรมและนำธรรมวิปัสและมาสอนรบรมวิปัสสนากรรมาฐานในประเทศสหรัฐอย่างความประมุขอา ป, ปื้มกิติยินดีแก่พุทธศาสนิกชนและเหล่าสาธุรสิทธเพื่อเพียรเจริญจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในสติสมาธิปัญญา เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ให้แจ้งสืบไปเลิญ<อ>ตอนทุกๆท่ั้ใครมาจากที่ไกลๆบนะ้ ม, ม, ามาจากไหนกันชิคาโก้ชิคาโก้ก็ทิ่มนหลวงพ่อเหมือนกันนะ แต่เส้นหลุยนิมนต์ก่อน <c oughs> คุณหมอคงศัก์ไปนิมนต์หลงก่อไม่ได้กยก็ไม่ได้คิดจะมาไกลถึงอเมริกาห่ะเทศอยู่ในประเทศไทยก็เทศไม่ไหวแล้วคุณหม อ, อศาุษรา์ไปนิมนต์รับนิมนต์รับอื่นเลยเข้ามาจอยด้วยจริงต้องมาเทศที่นี่ก่อนเลย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 คือการที่ย้อนเข้ามาศึกษาตัวเองคนให้พบตัวเองถ้าเราค้นพบตัวเองได้แล้วเราจะพบความอิ่มอกอิ่มใจนะมีปราโมดมีปีติปสัสสติมีสมาธิมีปัญญาขึ้นนี่พวกเราลองกลับข้างแทนที่เราเจะศึกษาออกข้างนอกจะมาศึกษากลับเข้าข้างในมาศึกษาตัวเองความทุกข์มันตั้งอยู่ที่ไหน ความทุกข์มันตั้งอยู่ที่กายเรามาศึกษากายของเราเองความทุกข์มันตั้งอยู่ที่ใจเรามาศึกษาจิตใจของเราเองศึกษาจนรู้ความจริงเผชิญหน้ากับความทุกข์มาเรียนรู้ความทุกข์มาเรียนรู้กายมาเรียนรู้ใจน้าเผชิญหน้ากับมันแล้วเห็นความจริงแล้วเนี่ยจิตจะพ้นออกจากกองทุกข์ได้นี่เป็นความประหลาดเป็นความอัศจรรย์ของธรรมะคนทั่วๆไปสนีทุกข์ เราก็วิ่งหาความสุขพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้วิ่งหาความสุขเลยแล้วไม่ได้สอนให้วิ่งหนีทุกข์แต่ท่านสอนให้เราเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ mm hmm. ก็คือมาเรียนรู้กายมาเรียนรู้ใจของเราเองทุกข์มันอยู่ที่กายทุกข์อยู่ที่ใจนี่เองมันเป็นศาสตร์ที่แปลกมากนะศา ส, สนาพุทธนะี่ถ้าจะว่าไปแล้วมันก็ไม่เข้านิยามของคาว่าศาสนาอย่างที่ตะวันตกเขาคิดกันหอก แล้วก็ไม่ใช่ปรัชญาไม่ใช่เมตาฟิสิกจะเป็นศาสตร์อันหนึ่งเเป็นศาสตร์ที่สอนเราได้ละเอียดยิบเลยถึงจิตใจของเราเนี้ยว่าทำไมความทุกข์ถึงเข้ามาสู่จิตใจเราได้ความทุกข์อยู่ที่ร่างกายความทุกข์อยู่ที่จิตใจแต่ถ้าเราฝึกจิต ด, ดีแล้วความทุกข์จะเข้ามาไม่ถึงจิตใจถ้ายังมีชีวิตอยู่ความทุกข์เข้ามาได้แค่ร่างกายเท่านั้นเอง จะเข้ามาไม่ถึงใจเราเนี้ความทุกข์ทางร่างกายเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เมื่อเรามีร่างกายขึ้นมาแล้วเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายแต่ความทุกข์ทางจิตใจเนี่ยจิตที่อบรมดีแล้วจิตที่ฝึกดีแล้วนําความสุขมาให้ความสุขที่มหาสาลที่สุดคือพระนิพพานนิพพานมีจริงๆนิพพานไม่ใช่โลกในอุดมคติไม่ได้อยู่โทเปีย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 ความสุขที่อื่นะเรามาค้นคว้าศึกษาเรียนรู้ตัวทุกข์คือตัวกายตัวใจของเราให้แจ่มแจ้งถ้าเรารู้ตัวกายตัวใจของเราแจ่มแจ้งได้จริงนะสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยจิตมันจะแยกออกจากกายใจจิตจะพลากออกจากขันห้าจิตก็อยู่กับกายอย่างนี้แหละแต่ว่าไม่มีอะไรในกายนี้จะกระทบเข้าถึงจิตได้ จิตก็มีความรู้สึกสุขมีความรู้สึกเป็นอุเบกขาไม่มีความรู้สึกทุกข์แต่ความรู้สึกสุขความรู้สึกอุเบกขานั้นก็เข้ามาไม่ถึงจิตอีกนมันลากออกจากจิตไปอีกจิตมันเป็นอิสระต่อความรู้สึกสุขหรือความรู้สึกกลางๆความจําได้ความหมายรู้ความปรุงดีทั้งหลายมันเข้ามาไม่ถึงจิตหมดเลยไม่มีความปรุงชั่วเหลือแต่ความปรุงดี ปรุงไปตามธรรมชาติความเคยชินของความเมตตากรุณาอะไรแต่ว่าม่เข้ามาไม่ถึงจิตเนี่ยจิตมันสะอาดหมดจดไม่มีอะไรเข้ามาปรุงแต่งได้ไม่ยจิตชนิดนี้แหละมีคุณสมบัติพอที่จะสัมผัสกับพระนิพพานพระนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อ ต, อตาเรานี่เองแต่เราไม่เคยเห็นเราเดินชนพระนิพพานทุกวันเราไม่เคยเห็นเพราะกรจิตเรายังไม่มีคุณภาพพอ จิตเรายังจมอยู่ในกองทุกข์คือจมอยู่ในกายจมอยู่ในความยึดถือกายยึดถือใจนี่เองถ้าถอดถอนความยึดถือกายยึดถือใจได้เราจะสัมผัสสันิพันต์เต็มชั้นเต็มภูมิจะมีความสุขที่มหาศาลไม่ว่าสุขแทบตายเลยสัมผัสสันนิพันต์เต็มชั้นเต็มภูมิครูบาอาจารย์บอกโอ้มันสุขนะสุขแทบตายเลยครูบาอาจารย์องค์หนึ่งเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังหลวงปู่สุวัต เล่าตอนที่มันเป็นขึ้นมาแล้วนะั้นมีความสุขอยู่ตั้งปีกว่าๆหลังจากนั้นจิตก็ค่อยเป็นอุเบกขาอยู่บยสบายร่มเย็นอยู่สุขแทบตายสุขแทบตายพวกเราเคยได้ยินไหม <c oughs> ในตำราชอบพูดกันนะบอกคหรวาสบรรลุพระรหันต์เราต้องตายเลยถ้าไม่ได้บวชเคยได้ยินไหม <c oughs> เคยได้ยินชื่อพระนักขาเสณกับพญามิรินไหมพญามิรินมิรันเดอร์เป็นกรีกเป็นคนกรี ก, คคกเป็นนักปรัชญาเสียงเก่ ง, กงไปถามพระนัาขาเสณพญามิรินไปถามพระนักเสณว่าจริงหรือที่ว่าบารรลุพระอราหันต์แล้วไม่ได้บวชในวันนั้นจะตายเลยพระนักขาเสนบอกว่าจริง พญามิรินได้โอกาสรีบโจมตีเลยบอกถ้างั้นอรหัตมรรมก็คือฆาตกรแท้ๆเลยทําให้คนตายครนักเขเสณบอกไม่ใช่นะอรหัตมรรมนั้นวิเศษมากจนธาตุขันของมนุษย์นะั่นไม่พอที่จะรองรับธาตุขันของครวญเนะี่ยรองรับไม่ไหวรองรับความสุขขนาดนั้นไม่ไหว ส่วนไม่ได้ตายเลยคิดดูนะความสุขเราเคยได้ยินทุกจนตายใช่ไหมความสุขแทบตายก็มีนะแต่ว่าต้องภาวนาวพระเจ้าถึงสอนเราความสุขอะไรๆก็ไม่เท่าพนิพานนะนิพานานางประมังสุขขังนี่นิพานมีจริงๆนิพานไม่ใช่อุดมปตินิพานไม่ใช่นิยายหลอกเด็กถ้าพระเจ้าพูดกับ ว, ว่านิพานแล้วก็ไม่บอกวิธี ที่จะเข้าไปสู่พันิชยานสัมผัสพันิพยานก็ยังว่าท่านหลอกได้นะแต่นี้ท่านบอกวิธีที่เราจะพัฒนาตัวเองจนเข้าถึงพันิชยานได้แล้วพวกเรามีหน้าที่มาเรียนรู้ว่าทํายังไงจิตใจของเราจะพัฒนาจนเข้าไปสัมผัสพันิชยานได้ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปเรื่องที่ถ้าเรียนแล้วก็ลงมือปฏิบัติให้สมควรแก่ทำเราก็จะมีโอกาสสัมผัสพันิพยานเป็นลําดับลําดับไป สัมผัสครั้งแรกเรเป็นพระโสดาบันครั้งที่สองเป็นพระสัททะคาครั้งที่สามเป็นพระนคาคขาครั้งที่สี่เรียกพระลราหารันพระละหันจะได้เปรียบรายะอื่นๆอยู่ตรงที่ท่านแค่มนานสิ ก, การแค่ระรึกถึงนะพระนิพพานนิพพานก็ปรากฏ ต, ต่อหน้าแล้วไม่หายไปไหนงั้นวันนี้เราจะมาคุยกันถึงวิธีปฏิบัติเพื่อ ย, ยกระดับจิตใจนะให้สามารถเห็นพระนิพพานได้ เอาไปเรื่องนี้จะได้มีความสุขเนาะแล้วจมแต่ความสุกขเรื่อยๆไปเครียดไปเรื่อยนะอยู่ทางนี้บางคนก็ฐานะดีนะมีความสุขเนาะสุขชั่วคราวแหละสุขชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็พลาดพลากจากคนที่รักเดี๋ยวก็เจอสิ่งที่ไม่รักอยากแล้วก็ไม่สมอยากอะไรเงี้ยนกะ็มีความทุกข์บีบคั้นอยู่เรื่อยๆงั้เรามาหาชีวิตที่ดี ที่สะอาดที่บริสุทธิ์หมดจดที่มีความสุขมากๆดีกว่าชีวิตทางโลกเราก็ทำมาหากินไปตามหน้าที่ทำงานเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวทำงานช่วยเหลือสังคมสิ่งเหล่านี้เป็นการทำเพื่อจะอยู่กับปัจจุบันนี้ส่วนการยกระดับจิตใจเนี่ยเป็นงานที่แท้จริงของเราในสังสารวัตรนี้เป็นงานจริงๆ งานเลี้ยงตัวเองเรื่องอะไรอย่างนี้เป็นงานชั่วครั้งชั่วคราวเฉพาะในชีวิตเดียวเท่านั้นเองหาเงินมาได้เยอะแยะนะก็ อ, อยู่ได้ในชีวิตนี้เท่านั้นเองเอาเงินไปไหนไม่ได้หรอกเอาตรมะมาสู่จิตสู่ใจนะพัฒนาจิตใจขึ้นไปได้เรื่อยๆถ้าเคยภาวนา ม, มาแล้วนะจะรู้เลยว่าวัฏฏะเนี่ยหมุนเวียนไม่เลิกหรอกะไม่ใช่ศูนย์ไปไหนหรอกหมุนไปเรื่อย การที่เราจะมายกระดับจิตใจตัวเองได้นะมันมีสิ่งที่ต้องพัฒนาอยู่สองอั น, นการฝึกจิตมีสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งการฝึกจิตให้สงบให้มีพลังเรียกว่าสมถรกรรมฐานเรื่องที่สองการฝึกจิตให้ฉลาดมีปัญญาเห็นความจริงของกายของใจ พอหมดพอรู้ความจริงของกายของใจได้แล้วมันจะหมดความยึดถือในใกายในใจแล้วสัมผัสพานิพันธ์ได้นั้นจะบรรลุพานิพันธ์ได้ก็ต้องเจริญปัญญาเนี่ยมันมีงานสองงานทางใจคืองานของสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานส่วนใหญ่ที่ฝึกผลกันนั้นเป็นเรื่องแค่สมถกรรมฐานเกือบร้อยลอร้อยของนักปฏิบัติติดอยู่แค่นี้เองไม่ขึ้นวิปัสสนาหรอก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 ทำไมอยากได้กลิ่นหอมๆ อ, อยากได้รสอร่อยอยากได้สัมผัสที่อบอุ่นนุ่มนวลสบายอยากสนุกสนานทางใจอยากได้เสียงเคราะเสียงดีเสียงชมเพราะคิดว่าถ้าได้สิ่งเหล่านี้มาแล้วจะมีความสุขเราวิ่งไปดูหาของสวยของงามดูคิดว่าจะดูให้เห็นทุกข์เหรอจริงๆดูก็เพื่อจะหาความสุขเท่านั้นเองวิ่งไปฟังนะฟังคอนเสิร์ตฟังอะไรวก็วิ่งไปหาความสุขนะนั่นเอง จิตมันไม่มีความสุขในตัวมันเองมันต้องเที่ยววิ่งไปหาความสุขที่อื่นวิ่งไปทางตาวิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปกินวิ่งไปโนอนวิ่งไปนี่นะจิตใจก็วิ่งพล่านพล่านออกไปทางสวรรทั้งหกคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจการที่จิตมันวิ่งพล่านออกไปทางโน้นทางนี้ตลอดเวลามันวิ่งหาความสุขแล้วมันไม่ได้จริงวิ่งไปดูหนังนึกว่ามีความสุขนะ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 ให้มันมานั่งกินขนมอยู่ในบ้านไม่หนีไปส่วนที่อื่นใช่หลักอันนี้เองง่ายๆนะหลักของสมถะกรรมฐานคือหาอารมณ์ที่มีความสุขมาเป็นเหยื่อล่อจิตไม่ให้จิตหนีไปเที่ยวหาความสุขที่อื่นอย่างบางคนทําอาหารอร่อยนะสามีชอบกินอาหารทำอาหารอร่อยสามีไม่ไปไหนเลยคนโบราบณบอกเสน่ห์ใจวักรู้จักใจวักไหมคนรุ่นนี้ใครยังรู้จักใจวักบ้างมีไหมยก ม, มือสิ ใครเคยเห็นส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นแล้วนะเด็กๆไม่่อ้จักจะหวักแล้วนะหาอารมณ์ที่ชอบใจมาให้จิตอยู่แนะล้วเรามาสำรวจตัวเองดูในตำราเนี่ยพูดถึงสมถากรรมฐานสี่สิบอย่างแต่จริงสี่สิบอย่างนี้นเป็นแค่ตัวอย่างยังมีอย่างอื่นพิเศษเยอะแยะเลยสมถากรรมฐานนันจริงๆเป็นเรื่องง่าย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 อารมณ์ที่สามเป็นอารมณ์นิพพานพวกเรายังไม่เห็นหนอกนิพพานมีอยู่แต่พวกเราไม่เห็นเพราะฉะนั้นตัดอารมณ์นิพพานออกไปการทำสมถะสำหรับพวกเราเใช้อารมณ์บัญญตัติอารมณ์รูปนามได้สองอย่างเมื่อเรามาสำรวจตัวเองใช้อารมณ์อะไรแล้วจิตใจมีความสุขเราก็ใช้อารมณ์นั้นแต่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลส อย่างถ้าเล่นไพ่แล้วมีความสุขนะถามว่าเล่นไพ่แล้วมีสมาธิไหมขณะเล่นไพ่มีความสุขใช่ไหมมีความสุขเล่นไพ่ไปตำรวจมาไม่รู้เลยไม่รู้เลยตำรวจมาสักิดแลัวโอ้ลำคาญเลยจะจั่วอยู่ละนะเอคือถ้าจิตมันมีความสุขอยู่ในอารมณ์นใด น, นะมันจะสงบอยู่ในอารมณ์ น, นั้นพวาเราไปอ่านหนังสือที่ชอบอกชอบใจไหมเวลาอ่านหนังสือ เวลอ่านหนังสือเล่มที่เราชอบนะอ่านได้ทั้งวันอ่านได้ทั้งคืนเลยนะจิตสงบเลยใครจะเรียกใครจะคุยอะไรไม่อยากยุ่งด้วยเลยอยากอยู่กับหนังสือเล่มเนี้ยเมื่อก่อนหลวงพอ่อก่อนจะบวชนะอ่านเพ็ธอุมาใครเคยอ่านไหมยาวมากเลยนะยาวเดี๋ยวเสือมาเดี๋ยวช้างมาเดี๋ยวอะไรสนุกนะอ่านทั้งวันทั้งคืนก่อนหน้านั้นอ่านกําลังไก่ในใครรู้จักไหมหนังสือกําลังไก่ในอ่านได้ทั้งวันทั้งคืนนะมีสมาธิ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 ดัง้นเราต้องเลือกอารมณ์ที่มีความสุขนะข้อหนึ่งข้อสองอารมณ์นั้นต้องไม่ยั่วกิเลสต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสยกตัวอย่างอารมณ์ที่มีความสุขและไม่ยั่วกิเลสเช่นเราคิดถึงพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธนะบริกรรมไปในใจนึกถึงพระพุทธเจ้าไปด้วยอันนี้เป็นอารมณ์บัญญัตินะเป็นการใช้ความคิดเราหรือบางคนประเภทเซ็กจัดอะไรอย่างเนี้นะพิจารณากาย คิดพิจารณาร่างกายผมคนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกทีละส่วนทีละส่วนใช้ความคิดนะนี่เป็นอารมณ์บัญญัติแต่นะอารมณ์ปรมัติตเช่นเรารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจอยู่นะลมหายใจเนี่ยเป็นรูปธรรมนะเป็นรูปธรรมไม่ใช่เรื่องที่คิดขึ้นทุกคนหายใจจริงๆไม่ใช่เรื่องความคิดนะหรือบางคนดูท้องพองยุบเนื้อท้องมันมีจริงๆใช่ไหมนะ เป็นวัตถุที่กับเพิ่มขึ้นกับเพิ่มลงดูอย่างนี้ก็ได้หรือเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะรู้สึกถึงร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่ น, ะนี่สมถะทั้งหมดเลยนี่สมถะด้วยการรู้รูปธรรมนะสมถะด้วยการรู้นามธรรมานะเช่นการเพ่งจิตของตัวเองนะเพ่งจิตหรือเพ่งความรู้สึกต่างๆจนกระทั่งจิตมันนิ่งเนี้ยสมถะกรรมฐานเนี่ยจริงๆแล้วถ้ารู้จักเลือกอารมณ์นะ อารมณ์นั้นต้องเป็นอารมณ์ที่เราชอบจิตมันชอบอยู่ด้วยแล้วมีความสุขจิตจะได้ไม่หนีไปที่อื่นถ้าสองอารมณ์นั้นต้องไม่ยั่วกิเลสไมงั้นเดี๋ยวจิตก็จะกระเพื่อมเพราะกิเลสกีหลังอีกแั้นเราถ้าจะฝึกสมถะนาง่ายมากเลยอย่างหลวงพ่อตอนเด็กๆฝึกอาณาปณสติตั้งแต่เจ็ดขวบหายใจออกหายใจเข้าตอนเด็กๆมีบริกรรมด้วยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอนะไรอย่างี้ หายใจไปอย่ามีความสุขนะไม่บังคับจิตให้สงบไม่บังคับจิตให้นิ่งหายใจไปด้วยความรู้สึกสบายปลอดโล่แปบ๊บเดียวก็สงบละแต่ถ้าเราไม่เป็นนะเราจะไปทำสมถะกรรมฐานนะบังคับจิตให้นิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่เราว่ามันดีสำหรับเราอย่างคนไหนหายใจแล้วคิดว่าหายใจลรดีล้วก็ไปบังคับจิตว่าจะต้องอยู่กับลมหายใจจิตไม่ชอบให้ใครบังคับนะ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 ไม่เสียตังค์หรอกนะไม่ต้องไปเข้าคอรอ์สฝึกเมดิเทชันเสียตังค์เยอะแยะเลยนะของหมูหมูนะ <c oughs> ง่ายๆลองดนะูหายใจหายใจเป็นธรรมชาตินะอย่าไปหายใจแบบ <c oughs> อย่างนี้โอเวอร์แอคชั่นหายใจเข้าไปอึดอัดนะ <c oughs> เกินไปหายใจสบายเราก็หายใจอยู่แล้วเนี่ยแค่รู้สึก หายใจไปแล้วจิตมนันหนีไปคิดเรารู้หายใจไปจิตหนีไปคิดเรารู้แปบ๊บเดียวนั้นก็จิตมันก็อยู่กับลมหายใจสบายสงบนะ่ะแค่นี้ก็มีความสุขละนะแต่มีความสุขแค่นี้ไม่นิพพานหรอกแต่เดี๋ยวเดียวจิตหลุดจากลมหายใจก็ไปฟุ้งซ่านใหม่แล้วถ้าคนไหนประเภทบังคับจิตให้อยู่กับลมนะ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 หาใจไปอย่างมีความสุขจิตนะสงบทันทีเลยนะี่เคล็ดลับนะแล้วทําไงเราจะมาเจริญวิปัสสนาได้นี่เรื่องของสมถานะสมถาไว้พักผ่อนเวลาจิตใจเราเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าจากการทํางานเราก็ทาสมถะให้ได้พักผ่อนบ้างใจเราทํางานหนักทั้งวันคิดหนักทั้งวันฟุ้งซ่านทั้งวันทําสมถะได้จิตใจได้พักผ่อนมันมีวิธีทําสมถะ ที่ง่ายๆนะแบบในคลิปตาเดียวเอาไหมโอ้เวลาที่เราทำงานมากๆเครียดมากๆนะเราไม่รู้จะทำไงนะใจเรา็ะหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วฟุ้งซ่านมากแล้วเราหายใจลึกๆนะหายใจให้ยาวๆลึกๆไปแต่ไม่ต้องอัดเข้าไปจนปอดปลี่นะ <c oughs> หายใจพอดีๆแหละนะลึกหน่อยหายใจเข้าไปลึกๆนะแล้วกลั้นใจไว้ หลับตานะกลั้นลมหายใจไว้ตอนที่กลั้นลมหายใจใหม่ๆนะครับสังเกตดูที่ใจนะใจมันจะนิ่งๆจะสงบได้ชั่วขณนะ น, นี่เป็นเคล็ดลับนะเมื่อก่อนหลวงพ่อเป็นโยมเป็นค า, ารวะเนี่ยนั่งประชุมนะบางทีเหนื่อยเหน่อยทำเหนื่อยนะหายใจแล้วก็กลั้นลมไว้นิดหนึ่งนะตรงที่เรากลั้นลมไว้เนะี่ยใจมันจะหยุดคิดชั่วคราวบางทีหยุดคิดชั่วคราว ตัวนี้เราก็ได้พักแล้วอยากไม่ต้องทำนานนะทกาก้านใจนานเดี๋ยวทรมานจิตแต่งอีกสมาธิตแต่งอีกนะอันนี้นิดหน่อ ย, อยแค่นี้ก็ได้ความสงบนะเอาแรงไปทำงานได้อีกชั่วโมงหนึ่งเพราะ้นะไม่ใช่ยากนะสมรถะทำไปแล้วจิตใจสงบมีความสุขครนะาว น, นี้เราจะขึ้นวิปัสสนาจะมาฝึกจิตให้เกิดปัญญานะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องใหญ่ สมถานี้มีมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็เห็นว่ามีประโยชน์ถ้าทำแล้วจิตใจมีความสุขมีความสงบ ก, ก็เป็นประโยชน์ท่านก็ยอมรับว่าเอามาใช้ได้แต่ว่าถ้าแค่สมถาแล้วก็ได้ความสุขได้ความสงบชั่วครั้งชั่วคราวไม่นานความสุขความสงบ ก, ก็หายไปความดีก็ไม่ค่อยมีกลายเป็นอารมณ์ร้ายซะอีกเรามาพัฒนา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 ทุกไหมต้องรีบหายใจออกเพื่อแก้ทุกข์ใช่ไหมหายใจออกไปเรื่อยๆสิทุกข์หรือสุขละ่ะทุกข์อีกแล้วหายใจออกไปเรื่อยไม่ได้หายใจเข้ากนะ็ทุกข์อีกแล้วนะนั่นแค่หายใจนี่นะก็หายใจเพื่อหนีทุกข์นะเราไม่เคยรู้สึกทำไมเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถ ท, ทำไมต้องเปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเปลี่ยนไปเรื่อยกเพื่อหนีทุกขนะ์นั้นความทุกข์นี่มันบีบคั้นอยู่ตลอดเวลา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 ถ้าไม่เคยฟังธรรมนะบางคนอย่างอกหักนะโกรธเป็นปีเลยใช่ไหมอ่านมาไกนะรู้หรอแอบไปฟังซีดีมาก่อน <laughs> <c oughs> นจิตใจที่มีความโกรธนะก็โกรธชั่วคราวจิตใจที่โลภมันก็โลภชั่วคราวนะจิตใจที่หลงมันก็หลงชั่วคราวเป็นคราวๆโกรดเลยจิตใจที่สุขก็สุขชั่วคราวจิตใจที่ทุกข์ก็ทุกข์ชั่วคราวนั่มันไม่เที่ยง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 ถ้ตันหาคือความอยากนะสังเกตดูให้เดี๋ยวใจเรามีความอยากตลอดเวลาเลยแค่อยากมาวัดนี้ก็อยากแล้วเห็นไหมมาแล้วกลัวให้หลวงพ่อหนีกลับไปก่อนหรือยังเนี่ยเนอะมาโทรมาถามหลวงตาว่าหลวงพ่อมาแน่ไม่แน่อย่างนี้อยากมาฟังแค่อยากฟังธรรมนะก็รุ่นใจได้นะอยากกินอยากนอนะอยากดูอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นะ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 อย่างความโกรธเนี่ยก็มีเหตุของความโกรธอันแรกเลยเราต้องไปกระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจเช่นไปเห็นคนที่เราเกลียดมันเดินมาหาเราละไอคนที่เราเกลียดเนี่ยเป็นอารมณ์ที่ไม่ชอบอันที่สองเรามีอนุสัยมัมีความเคยชินที่จะไม่ชอบไอเนี่ยอันที่สามเราไปตรึกเราไปคิดในทางไม่ดีเรียกว่าพยาบาปพิจดถ้าองค์ประกอบมันครบนะความโกรธมันถึงจะเกิด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 มันหรือเราไม่ได้คิดในทางร้ายมันก็ไม่โกรธที่แรกคิดในทางร้ายอยู่แล้วก็นึกขึ้นได้ว่าหลวงพ่อประโมทบอกโกรธให้ดูจิตตัวเองย้อนมาดูจิตตัวเองไม่ได้ดูไอ็กวที่ทําให้เราโกรธนะความโกรธก็ดับไม่ได้ตรึกในอารมณ์ที่โกรธและตัวความโกรธเองก็ถูกบีบคั้นนะเพราะเหตุของความโกรธนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตัวความโลภความหลงความสุขความทุกข์ทั้งหลายนะก็ถูกบีบคั้นเพราะเหตุของมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา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 เราจ ะ, ระต่อไปนี้เราจะถือศีลห้าอเงี้ยใครเคยตั้งใจอย่างนี้บ้างยกมือสิถือรอดไหม <c oughs> มันเป็นอนัตตาเนาะเนอะโ <c oughs> นะทษอนัตตาไว้ไเราและดีแต่ว่าจิตมันเป็นอนัตตาจิตมันไม่ดีเรื่องของมันนะเราดีไว้ก่อน <c oughs> จิต้มันห้ามไม่ได้อย่างวันนี้ตั้งใจจะภาวนาสามชั่วโมง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 ถ้าเรารู้ความจริงนะจะเบื่อกายนี้น่าเบื่อจิตใจนี้น่าเบื่อเพราะของแ ป, ลปลรปรวนตลอดเวลาเพราะเบื่อหนจะคลายกำหนัดคลายความรักคลา ย, ยึดถือร่างกายนี้เคยห่วงแหนที่สุดจิตใจนี้เรารักตัวเองที่สุดแล้วพอภาวนาเห็นความจริงมันจะคลายความยึดถือในใกายในใจได้ถ้าหมดความยึดถือเราจะสัมผัสพระนิพพานนั่นเร า, าต้องมาดูความจริงของกายของใจให้ได้ถ้าไม่ดูความจริงของกายของใจไม่มีโอกาสสัมผัสพระนิพพานเลย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 ขั้นแรกเลยเราหาอารมณ์กรรมฐานมาสักอย่างหนึ่งใครจะอยู่กับพุโทโธก็อยู่กับพุโทโธไปใครอยู่กับลมหายใจก็อยู่กับลมหายใจไปนะค่อยๆฝึกก่อนนะแล้วต่อไปถ้าอย่างเราพุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่นะแล้วจิตเราหนีไปจิตมันหนีไปปุ๊บเรารู้ทันหนะนีไปคิดนะส่วนใหญ่หรือรู้ลมหายใจอยู่จิตไหลแวบไปเรารู้ทันนะตรงที่เรารู้ทันเนี่ยมันจะได้สมาธิขึ้นมา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 คนไหนเคยพุทโธก็บริกรรมพุทโธไปคนไหนเคยรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจไปคนไหนเคยดูท้องฟองยุบก็ดูไปแต่ไม่ได้ดูเพื่อให้จิตไปสงบอยู่กับพุทโธไม่ได้ดูให้จิตสงบอยู่กับลมหายใจไม่ได้ดูให้จิตไปสงบอยู่ที่ท้องนะแต่ดูเพื่อจะคอยรู้ทันจิตเวลามันแสงแสงหนีไปเช่นพุทโธพุทโธมันหนีไปคิดรู้ทันหายใจอยู่มันหนีไปคิดรู้ทันดูท้องพองยุบมันหนีไปคิดรู้ทัน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 และตรงที่รู้ท่านว่าจิตเคลื่อนไปเนี่ยจะได้สมาธิขึ้นมาโดยอัตโนมัติด้วยเพราะสมาธิคือความพุง่งมันตรงข้ามกับความพุ่งซ่านของจิตนะถจิตไหลไปเรารู้ปุ๊บมันจะตัง้งสมาธิมันก็ตั้งขึ้นมาแต่สมาธิชนิดนี้เป็นสมาธิที่อัศ จ, จรรย์ที่สุด <c oughs> เป็นสมาธิที่ไม่เหมือนการทําสมาถะกรรมฐานสมถะกรรมฐานเนี่ยเช่นเราพุทโธเราหายใจในจิตเลยวิตเกาะนิ่งอยู่กับลมหายใจนะไปจับอยู่ที่ตัวอารมณ์ส่วนสมาธิชนิดนี้เนี่ย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 อันเดียวฟันทั้งหมดเลยะจิตตั้งมั่นจิตรู้เนื้อรู้ตัวรู้ตัวเป็นแล้วอะไรเนี่ยที่หลวงพ่อใช้คํำหลายอย่างแต่คนแต่ละคนบางทีใช้คําคนละอย่างเข้าถึงเข้าใจอาการของมันเนีก็คือจิตมันถอนตัวออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นพอจิตถอนตัวออกมาจากโลกของความคิดมาอยู่ในความรู้สึกตัวได้มันจะรู้สึกกายรู้สึกใจได้ถ้าเมื่อไหร่เราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนะเรามีร่างกายเราจะลืมร่างกาย เรามีจิตใจเราจะเริ่มจิตใจเราไม่สามารถรู้กายรู้ใจตัวเองได้เพราะะั้นเราคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ว่าทำวิปัสสนาวิปัสสนานะไม่ได้ทําจริงหรอกนะอยางไปดูท้องพองยุบจิตไปนิ่งอยู่ที่ท้องอันนี้สมถติฐาแท้ๆเลยไปเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิตไหลไปอยู่ที่เท้าอันนี้สมถตากรรมฐานไม่ใช่วิปัสสนาเลยนะจิตไม่ได้ตั้งมั่นแต่จิตไหลไปแล้วเพราะนั้นถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตที่เคลื่อนไปนะจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมายกตัวอย่างเลย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 อยากให้รู้ว่าอยากตองนั้นไ ป, ไปที่วัดกรรมฐ า, านแห่งหนึ่งนะครูบาอาจารย์ท่านดีเลิศเลยวัดบินหมักเป้งที่ว่าทิ่หมักเป้งเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยคนจะไปภาวนาในโบสถ์เยอะมากเลยนั่งสมาธิในโบสถ์นะถ้าโบสถ์ไม่พอนั่งแล้มานั่งกันรอบๆบโบสถ์อีกที่เดินจงกรมก็เยอะมากเลย พาตกค้ามหลวงพ่อก็ไปกับเขาบ้างเขาไปเราก็ต้องไปสิใช่ไหมเดี๋ยวเขว่าเราเป็นนอนอยู่ในกุฏิควาจริ ง, รงเราภาวนานในกุฏิเราหัะไปที่โบสถ์ไปดูเอ๊มีแต่คนนั่งสมาธิสมาธิมีสองขัวพว ก, พวกนึงนั่งเคร่งเครียดนนั่งเคร่งเครียดนะอีกพั้วหนึ่งนั่งสงบ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 ในใจเขานินทาเขาอย่างนี้นะที่นี่ไม่มีไครหอนหนาทาั้งที่เขาก็นั่งสมาธิเดินจงกรมกันนะหลายชั่วโมงเนละใจก็ไปว่าเขาไม่ได้ปราว น, นาพอ ต, ตอนเช้าเนี่ยตามคุณป้าคนหนึ่งเอาดอกไม้เอาของกิดเล็กๆน้อยๆ น, นะกพื่ลังนกเพื่อะไรถวายหลวงปู่พระท่านชดามากแนละ้วเราก็ตามเขาไปด้วย เขาพอเขาถวายดอกไม้ถวายอะไรนะหลวงปู่ก็หันมายิ้มหลวงปู่เทศจะยิ้มตลอดเลน่ารักมากท่านก็หันมายิ้มกับหลวงพ่อนะบว่าวัดนี้เขาไม่ภาวนากันแล้วแหละเราเออเจอดีเขาแล้วหัวไปดูคนอื่นนะไปดูตัวเองเทียบเขาเทียบเรากิเลสตัวเองท่วมหัวนะไม่เห็นนะเอาไปดูว่าเขาภาวนาไม่เป็น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 เราจะเห็นว่ามันเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกนี่เห็นอนัตตาของกายนะเข้ารู้เข้าดูไปด้วยหรือร่างกายนะนั่งอยู่มีความทุกข์เกิดขึ้นในกายเช่นนั่งแล้วเมื่อเนี่ยสติระลึกรู้นะใจเป็นคนดูอยู่ต่างหากใจตั้งมั่นอยู่ต่งหากมันจะเห็นเลยว่าร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งความปวดความเมื่อยอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่อีกส่วนหนึ่งไม่เกี่ยวกันนะ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 พราสติกับกิเลสจะเกิดร่วมกันไม่ได้เด็ดขาดเลยนะเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นจิตเป็นอกุศลเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจิตเป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลกับจิตที่เป็นอกุศลไม่เกิดในเวลาเดียวกันดังนะนั้นการดูจิตนี่จะดูตามหลังนะเังนั้นเคล็ดรับในการดูจิตอย่าไปจ้องถ้าจ้องแล้วจะไม่มีอะไรให้ดูนะต้องปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติธรรมดาพอกระทบอารมณ์แล้วมันเกิดสุข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 จิตมีความโกรธ ด, ดูไม่ทันสักทีมันหายไปก่อนก็ถูกแล้วที่ต้องหายถ้ามันไม่หายสติไม่เกิดเนะ่งั้นดูกายเนี่ยดูลงปัจจุบันขณะนะดูจิตเป็นปัจจุบันสัน ต, ติคือสืบเนื่องกับปัจจุบันถ้าเมื่อวานโกรธวันนี้รู้ไม่เป็นปัจจุบันสัน ต, ติแล้วเห็นไหม <c oughs> ไม่มีสัน ต, ติแล้วนั่นเป็นอดีตไปหมดละใช้ไม่ได้นะการที่เราหัดรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเรื่อยๆไปนะรู้ทีแรกยังไม่เป็นกลาง เช่นเห็นความสุขเกิดขึ้นมันพอใจเห็นความทุกข์เกิดขึ้นมันไม่พอใจนะเห็นกุศลเกิดขึ้นมันพอใจเห็นอาุศลเกิดขึ้นไม่พอใจให้เรารู้ทันจิตที่พอใจไม่พอใจอีกชั้นหนึ่งนะแต่ว่าอย่าจงใจนะเช่นตามองเห็นคนนี้เดินมาแล้วเกลียดมันรีบมาดูซิพอใจหรือไม่พอใจนะไอ้ <laughs> อย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้กินหรอกนะ พอย้อนจงใจมาดูนะมันหายไปหมดแล้วไม่มีอะไรให้ดูนะมันไวมากนะเวลาดูจิตเนี่ยถ้าจงใจดูจะว่างๆไปเลยไม่มีอะไรงั้นบางคนไปดูจิตนะกลายเป็นหลงดูความว่างตัว น, นี้ต้องระวังมากๆเลยนะดูจิตแล้วก็ว่างว่างวๆปุ๊บกูเป็นพระอรหันต์แล้วว่ามึงไม่ได้เป็นกูเป็นอมีมึงมีกูอยู่อย่างเงี้ยนะก็ยังนึกว่าบัตรู้แล้วไม่เป็นหรอกนะงั้นดูจิตอย่าไปจ้องมันนะจ้องไปดักดูไปจ้องดูไปรอดู จะไม่มีอะไรให้ดูนอกจากว่างๆพอว่างๆนะจิตก็พอใจมีความสุขทั้งวันนะโอหล่าลาไปเรื่อยนะ <c oughs> ไม่ได้กินหรอกไม่มีใจรักให้ดูแล้วงั้นเวลาจะดูจิตอย่าไปดักดูนะดูกายเนี่ยรู้สึกไปได้เลยรู้สึกได้ทันทีเลยแต่ดูจิตเนี่ยให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอานะถ้าจะเห็นความรู้สึกก็ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งแต่จิตต้องตั้งมั่นนะพอไหวไหม ถ้าไม่เคยฟังหลวงพ่อมาก่อนนะมันจำไม่หมดหรอกเพราะว่าเป็นศาสตร์ที่ละเอียดประณีตมากจะมีซีดีแจกไหมคุณหมอมีนะมีซีดีมีหนังสือไปฟังนะให้โอกาสแก่ชีวิตตัวเองบ้างถ้าเมื่อไรจิตเห็นความจริงได้นะเราก็ใช้หลักนี้นะวิปัสนาเนี่ยมีสติรู้รูปนามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงอย่าเข้าไปแทรกแซงเขาให้รู้อย่างที่เขาเป็น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 ต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าจิตไม่ตั้งมั่นและเป็นกลางจะรู้รูปนามตามความเป็นจริงไม่ได้จิตจะเข้าไปคลุกไปรวมเป็นเนื้อเดียวกับรูปนามนั้นะเป็นการไปเกาะเกี่ยวเป็นการไปเพ่งรูปนามใช้ไม่ได้ถ้าเพ่งรูปเพ่งนามเป็นอะไรเป็นสมถะกรรมฐานนะอย่านึกว่ารู้รูปนามแล้วเป็นวิปัสสนานะต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามถึงจะเป็นวิปัสสนาเรียนต้องเรียนให้ละเอียดนะบางคนมั่วซั่วบอ อย่างดูท้องฟองยุบเนี่ยเป็นวิปัสนาเป็นไหลไปเพ่งท้องอยู่เป็นสมถะแท้ๆนะต้องเห็นใจรักนะไม่เชื่อถามหลวงตาถามพระเนี่ยพระวัดนี่ยนักธรรมเอกันะอันเนี้อยู่ในหลักสูตรนักธรรมเอกไม่รู้ท่านบืมกันหมดยังฝึกนะฝึกให้ได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางขึ้นมาจิตที่ตั้งมั่นได้มาด้วยวิธีไรรู้ทานจิตที่ไหลไปคิด จิตที่เป็นกลางได้มาเพราะรู้ทันจิตที่ไม่เป็นกลางสติที่เป็นตัวรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของกายของใจได้มาเพราะอะไรเพราะหัดรู้บ่อยๆอะไรแปลกปลอมเข้ามาในกายคอยรู้สึกอะไรแปลกปลอมเข้ามาในใจคอยรู้สึกเช่นจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลไปแล้วรู้เนี่ยเชนจิตจำสภาวะที่ไหลได้แม่นนะพอไหลปุ๊บรู้ปั๊บเลยคนไหนขี่โมโหก็รู้ทันจิตที่โกรธ เห็นกว่าจิต ท, ที่โกรธบ่อยๆนะพอจิตโกรธปับ๊บสติจะระลึกเองเลยความโกรธกระเด็นหายไปเลยเนี่ยหลักของมันง่ายๆนะไม่ยากหรอกฝึกไปนะเจ็ดวันเจ็ดเดือน 7.